ก็อยากได้แต่อาศัยความอยากได้มาผลนิพพานเนี่ยมาหัดเจริญสติครับนะเจริญสติไปเรื่อยๆถึงจุดที่ปัญญามันพอมันก็ได้แต่ตอนจะได้นะมันไม่ได้อยากแล้วหมดอยากยังอยากอยู่ก็ยังปรุงแต่งอยู่อาศัยความปรุงแต่งนั่นแหละมาพักเพียร น, นะ้พัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆ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 อย่างนั้นมีคุณภาพจิตมีคุณภาพจิตของเรานะ่ยคุ้นเคยที่จะขาดสติเพราะคนในโลกไม่เคยมีสติจิตมันไปตามความคุ้นเคยจิตเคยหลงเมื่อก็หลงไปเรื่อยเคยขาดสติก็ขาดไปเรื่อยๆไม่ยอมเกิดสติอาศัยความอยากได้มรรคผลนิพพานนะมหัดเจริญสติมาคอยดูกายมาคอยรู้ดูใจเรื่อยๆ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 อาศัยการทำกรรมฐานามีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยไปรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างฝึกไปนานรู้นิถี่ยิบขึ้นมาตรงที่ไม่ได้จงใจแล้วเนี่ยมักผลจะเกิดก็ดเกิดตรงนี้แหละแต่อาศัยความจงใจดูไปก่อนจนจิตคุ้นเคยที่จะมีสติงั้นเวลาจะได้ธรรมะอะไรแต่ละขั้นแต่ละตอนนี้เป็นเวลาที่ไม่คิดไม่ฝันเนาะไม่นึกลนะ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 ทำไงถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะเรามีสติคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตยขยับขยื่นเคลื่อนไหวก็แค่รู้แค่รู้อย่าไปจ้องไว้ก่อนจิตมันเคลื่อนไหวเราก็รู้มันเคลื่อนไหวไปก็รู้นม่รู้ทันกิริยาการของจิตใจไปเรื่อยเดี๋ยวเห็นนะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยววิ่งไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งรูปจนกระทั่งมันไม่เจตนานะ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 จิตที่เจือปนด้วยความกโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะจิตที่เจือปนด้วยความสุขอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปเฝ้ารู้ไปอย่างนี้นะรู้ไปหัดดูทีแรกยังไม่ถึงจิตตรงๆหรอกนะอาศัยสิ่งที่มาประกอบกับจิตนะั้นมาดูอาศัยเวทนาบ้างนะอาศัยสังขารที่เป็นกุศลอนกะุศลบ้างนะหรือจะอาศัยการรู้อารมณ์ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้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 จิตที่ทุกเกิดแล้วดับไปก็เฉยเนะฉยเฉยเฉยสักพักอาจจะเฉยเฉยดับไปเกิดสุกขึ้นมาอีกเวียนอย่างนี้เราจะเห็นเลมันเปลี่ยนไปเรื่อยไม่เคยคงที่เลยนะเกิดดับต่อเนื่องไปเรื่อยคราวนี้ถ้าเราเท่ากับเรามีสติมีปัญญาลล้วนะเราไม่เห็นว่าจิตเที่ยงและไม่ใช่เห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้วเนหะมือนเราเกิดสติปัญญามากเรารู้แล้วว่าแสงสว่างของไฟฟ้าเนี่ไม่ได้คงที่หรอก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 เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปคนในปัจจุบันนี้ที่เรื่องว่าเราเนี้ยคนเนี้ยกับคนเมื่อวานก็คนละคนกันนะคนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้นะกับคนเย็นนี้ก็คนละคนกันอย่างเงี้ยงานใจเนี่ยนะมันจะทุกน้อยลงไปเยอะเลยที่มันทุกมากเพราะมันรู้สึกว่ามันมีเราอย่างจริงจังเห็นมันมีเราจริงจังนะก็อยากโน่อนอยากนี่ไปเรื่อย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 ฉันยังเก่งอยู่หมาก็เป็นนะหมาไอ้เหลืองเนะี่ยไอ้เหลืองเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยออกมาให้ญาติโยมพบนะพบตัวยากขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> เมื่อก่อนอยู่สวนปูมันจะต้องมาสำรวจทุกวันเลยใครมาไม่มานะตลกแต่ถ้าใครมานะเราเรียกเหลืองเหลืองนะเหลืองจะตัวพองขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีคนสนใจนะมันจะค่อยๆแฟบลง แฝบลงแฝบลงแล้วก็เริ่มเรียกร้องความสนใจเช่นทำนั่งหงิกนั่งงอเพราะไม่มีคนสนใจแล้วโมโหแล้วเรียกร้องความสนใจทําไมกระทั่งหมาอย่างเรียกร้องความสนใจเลยเพราะหมาก็ต้องการประกาศอัตตาะนะมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนะก็อยากประกาศอัตตาท่านนั่นนะเพราะอะไรเพราะไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่หรอกว่าจะมีอัตตาได้เท่าไหร่อย่างแต่ละคนใช่ไหม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 ยอมไม่ได้เลยว่าไม่มีตัวเราดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นคําสอนที่ฝืนความรู้สึกของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายมากเลยท่านกล้าหานนะท่านกล้าประกาศว่าไม่มีตัวเราหรอกมีแต่รูปธรรมนามธรรมา ท, ที่เกิดเป็นคราวๆถ้ายังสําคัญมั่นหมายว่ามีเรานะก็ยังมีความทุกข์แนบอยู่เสมออย่างร่างกายนี้ของเรานะเมื่อมันแก่ใช่ไหมก็เราแก่เม่อมันเจ็บก็เราเจ็บมันตายเราก็ตาย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 ไม่อยากได้ลมเย็นเลยเวลาร้อนๆแล้วลมเย็นโชยมาชอบนะชอบโอ้ลมนี้สดชื่นดีใจะแค่เนี้ยเราก็ไม่เคยเห็นละะเราปล่อยปล่าละเลยนะใจเราก็แวงขึ้นแฝงลงเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดอยู่ตลอดวันเนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยก็เพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ถ้าเราคอยรู้เคยเห็นไปเรื่อยเราจะเห็นเลยใจที่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงไม่ใช่เราหรอก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 อย่างเรามีมือถืออยู่ตัวหนึ่งนะแล้วยังใช้ได้เราก็ใช้ต่อไม่ใช่ต้องเปลี่ยนทุกอาทิตย์นะบางคนมันบ้าจริงๆนะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ก็มีนะเปลี่ยนไปเรื่อยมีไอพอดรุ่นนี้ต้องเอารุ่นนี้อะไรอย่างนี้นะอยากโน้นอยากนี่นะมีโน้ตบุ๊กอันนี้แล้วเดี๋ยวรุ่นใหม่ออกมาก็อยากได้อีกแล้วทาไมจะต้องได้ ของทานสมัยที่สุดของที่ดีที่สุดของที่เท่ที่สุดสุดท้ายก็คือเท่ที่สุดนั่นแหละคือประกาศอัตตา น, นี่ยเองฉันมันแน่เว้ยฉันมีของดีๆใช้อะไรี้นี่ประกาศอัตตาก็เพราะว่ามันเห็นผิดว่ามีตัวเราก็เลยต้องหาอะไรต่ออะไรมาพอกผูนเข้าไปเยอะเป็นภาระมากก็สร้างความทุกข์ให้เยอะนะงั้นเราได้รับความทุกข์แย่เลย อย่างทุกวันเนี่ยต้องดิ้นรนหาเงินเยอะๆนะเพื่อมารักษาอัตตาอย่างเรามีรถยนต์สักคันนะรถกระป๋องมันก็นั่งก็ไปถึงที่หมายได้ใช่ไหมเราต้องนั่งรถแพงๆเราไม่ได้นั่งด้วยก้นแต่เรานั่งด้วยหน้า <c oughs> <c oughs> นี่มันเรือกเซล์เท่านั้นเองเลืออัตตาเท่านั้นเองมันทําให้เราเหนื่อยเกินความจําเป็นทําให้เราต้องดิ้นรนเกินความจําเป็นทําให้เราต้องแย่งชิงเกินความจําเป็นะ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 ข้าโพดพันธ์อื่นปลูกแล้วก็เขาไม่เอาเขาไม่รับซื้อคืนต้องไปซื้อพันธุ์ข้าโพดมาไปซื้อยาฆ่ า, มาแมลงไปซื้อปุ๋ยเข้ามาเชื่อเข้ามาหมดเลยนะพอถึงข้าโพดออกฝักมาก็เอาข้าโพดไปขายคืนก็แทบไม่ได้อะไรเลยยิ่งอยู่ยิ่งจนลงไปเรื่อยนะหนี้มากขึ้นมากขึ้นเสียไร่เสียนาไปไปหาพระขอเครื่องรางของคลังสักอย่างหนึ่งเถอะว่าทายังไงจะรวย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 ที่กินลูกได้เท่ากี่สิบชนิดก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเองไปปลูกต้นไม้พวกนี้นะแล้วเก็บลูกมานะมาผสมมาบดนะวันหนึ่งจะได้พระวิเศษจะเสกให้ไอ้นี่นะปลูกต้นไม้สารพัดเลยปลูกไปเยอะเลยมันมีกินทุกวันเลยคราวนี้มันไม่ต้องซื้อละมีกินทุกวันเลยนะส่วนไหนกินไม่หมดก็ขายไหมขายได้ทีละนิดนิดอย่ไหนได้เงินเงินก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แล้วเพราะมันมีกินน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 นี่รู้จักพอนะก็มีความสุขได้ที่ในหลวงสอนให้เราทำนะอย่างโง่นะโง่แล้วเหนื่อยงัย้นหัดภาวนาดูกายดูใจของเราไปเราสามารถมีชีวิตที่ไม่หดหกหรอกมีความสุขได้คนรวยก็ไม่ได้มีความสุขนะหลวงพ่อกล้าท้าเลยมหาเศรษฐีมีความสุขน้อยกว่าหลวงพ่ออีกมันไม่มีความสุขกิงเราดูสิหน้าตาเราผรอ่องใสออก ทั้งๆ ท, ที่แก่ทั้งที่เหี่ยวขนาดนี้แล้วนะ เ, ออ เ, ออ เ, ออเสร็จถีมก็ม <laughs> ันก็อย่างเงี้ยโอมีความสุขสู้เราไม่ได้อ่ะ อ, อ้าวพทานาข้าวนะนี่หมดเลยครับ